ครับเป็นวันที่ 13 มิถุนายน 2532 เป็นวันบันทึกเสียงเอ้อเข้า ผู้สะพานข้ามที่เรียกกันว่าสะพานรัฐสเว่น ที่พูดอย่างนี้จะเข้าใจว่าเข้าสหทัพข้างในนะทัพข้างนอกที่ที่หน้ากอง ทหาร 3 คนนี้เก่งกาจมากไม่กลัวแดดไม่กลัวลมไม่กลัวฝนไม่กลัวทุกอย่างแสดง แต่เรื่องกองบัญชาการทหารสูงสุดของอเมริกานี่เค้าจะ แต่ว่าหนูมันว่าจะไม่ค่อยมีร้านค้าเหมือนของเราตลาดร้านค้าเค้าไม่มีเค้ามีแต่แตแตแตแต NA ก็ NA คือ แล้วก็ชิคาโกก็ดีเท่า 3 นาทีเครื่องบินๆเค้านี่ 3 นาทีก็เป็นนั้นว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอเมริกันใช้น้ํามัน ที่เค้าลือว่าเป็นศูนย์การไม่ใช่ก็ไม่ทราบเค้าว่ากันอย่างนั้นในเมื่อเค้าว่า ที่แอนเอบ้างแอนเอคือแคลิฟอร์เนียคือลอสแอนเจลิสก็ตั้งใจจะซื้อที่นั่นฉะนั้นที่นี่จึง แต่งหน้าแต่งตาทำมันก็คล้ายๆกับก็เป็นลีลาของการค้าถ้าจะซื้ออะไรก็รู้ osionfish.etu ไหมย. หต Learn รู้วัมิ หมreen ยมยะยาติโอเครื่องดู bring info รูติไหม favor I call it click on a dette? เราแล้ว empathic db Alpha, รู้ament stakeholder, 돈ก spices and speaker every day ใช้เง lanes choice time for companies asURE क loves you if you wear it เป็นค่าของบิน แต่ว่าพวกdel free плат traz me lett eher Wall witnessed มันการอักขึ้น Als会ีเองikh Quilla ale also wrote a call for American เหลือ 3 ปีรูปสิประสงค์ 사고 hay market sale results say อะไร หลังจากนั้นก็กลับสถานที่พักก็เล่ากัน ก็ 18 เมษายน 2532 เวอร์จิเนียอันนี้ก็ 19 เมษายน 2532 โอเชนตันชิคาโกะซึ่งรวมความเวลา 10:00 น. เกือบจะลืมบอกอง 20 องศากําลังสบายแต่ <c oughs> คือ 19 เมษายน 2532 ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ปรากฏว่า แต่ออกไปข้างนอกคนหนาวทนไม่ไหวถ่ายภาพไม่ได้มัน แล้วก็นําท่านชมเมืองวอชิงตันนําชมภูคาบิโทนคืน แล้วก็ชมอนุสาวรีย์วอชิงตันอนุสาวรีย์ลินคอล์นแล้วก็ผ่านชมหน้าทำเนียบขาวออกเอ่ออันนี้ก็เวลา 17:00 น. น, น, น, น, แลนของ 19 เมษายนเวลา 17:00 น. ออกวอชิงตันโดย 831 คราวนี้ ขอเล่าให้ฟังถึงการรวมประกันเดินทางคราวนี้ทุกเที่ยวทางเครื่องบินพระเจ้าต้องสั่งให้ 17 นะ จะนี้ 18 แต่ความจริงเวลาจากรัฐ 1 ชั่วโมง อันนี้ก็หมายความว่าถ้าตั้งนาฬิกาเราตั้งเที่ยงวันของเราแล้วก็ตั้งเที่ยงคืนของเขาแต่ว่าของนี่เที่ยงวันของเราก็เที่ยงเป็น 5:00 ถ้าที่ลอสแอนเจลิสถ้าเที่ยงวันของเราเป็น 4:00 เอ่อ 4:00 น. ของเขาเวลาต่างกันตามนี้เมื่อถึงชิคาโกก็นํา แต่คุณพัญญาแล้วก็มีคณะมาหลายคนจํา ก็มาถึงบ้านหมอหมอสุภรหรือคุณไปโลดคุณสุดาเนี่ย เมื่อเดินทางไปถึงเหนื่อยๆเดินทางไปถึงหน่อยๆเค้าก็ให้โอกาสอันนี้ต้องขอขอบคุณ ให้ถึงที่นั้นแล้วถ่ายไม่ออกเปรี้ยงก็ไม่ออกน้ํา แต่ก็ขอบใจบรรดากันมาฟังธรรมกันมาตั้งใจรักษาศีล โตสุภพรได้ 1 คันกำลัง 13 มิถุนายนยังมาไม่ถึง โฮระสารเคเค <c oughs> 2 เครื่องมีหุ่น <c oughs> 2 ตัวหุ่น 2 ตัวคนไปชอบไฟฟ้าก็ตรงกับจดหมายไปทางต่างใจอาตมาชอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนกันเครื่องไฟฟ้านี่มัน เราเข้าเป็นคนเดียวที่มีเพื่อนนั่ง มีโยมชาวลาวเวียงจันทน์ 3-4 แล้วก็ต่อท้ายด้วยเวลานี้ผมไม่ได้รักษาศีลครับขอให้ศีลรักษาผมข้อนี้มีความสําคัญมากบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าไปนึกถึงความตายไปโรงจะ บางคุณสมคิดคุณคิดนี่ไปตั้งร้านค้าอยู่ร้านค้าอาหารอยู่ที่ชิคาโกแต่ว่าวัน เขาบอกว่าสมัยที่อยู่บ้านหลังเล็กขายอาหารได้มีกําไรไปไปฉันปัตตาหารที่นั่นตอน ต้องมีเรื่องจะคุยกันนิดนึงลูกหลานญาติโยมพุทธบริษัทก็ไปกันมากบ้านนี้เป็นที่น่ารื่นรมย์อีกหลังหนึ่งขึ้นจากบ้าน <c oughs> เป็นบ้านหลายชั้นธรรมอธิบดีคุณสมคิดสร้างใหม่ก็ใหญ่โตหรูหราเยือกเย็นมี <c oughs> ก็การบูชาพระพุทธรูปพระพุทธธรรมสงฆ์กันก่อนตอนบูชาพระ อีกก็สงบเล็กน้อยมีอารมณ์บุกเผลอเมื่อรวมบุก เป็นคนเนื้อเต็มรูปร่างสูงใหญ่ท่าทางสุภาพมากเขาก็ กำลังเจริญรุ่งเรืองผมช่วยทุกอย่างตามความสามารถแต่ทะว่าเวลานี้คุณสมคิดกําลังคิดจะทําอะไรอีกอย่างหนึ่งก็ แต่แกก็เลยมีเงินก็ไขว้ไปกว่าเอางี้ก็ เป็นหมูหำซีเลี้ยงชิ้นเล็กๆขอบคุณเอางี้ก็เราเป็นคนไทยมาเยี่ยมคนไทยด้วยกันท่านเป็นฝรั่งท่านก็จะมีเมตตากับคนที่เป็นคนไทยช่วยทุกอย่างตามกําลังที่เป็นช่วยได้ก็ขอครับ วันโกปปฏิวันทนังอันนี้ฝรั่งไม่ได้พูดพระไทยพูดบูชังผู้ที่บูชาแล้วกันบูชาตอบเพิ่น <c oughs> <c oughs> ลืมตาใหม่ทีปรากฏฝรั่งคนนั้นหายไปมองไปมองมาคิดว่าทําไมแกไปเร็วมาเร็วก็บริเวณของแกแต่ความจริงบ้านก็ไม่ ก็ถามฝรั่งคนนั้นว่าท่านทําบุญอะไรไว้จึงมีบุญบารมีมากอย่างเพราะอาศัยการสงเคราะห์คนของผมอย่างนี้ผมจึง ก็เลยผมให้ทานเบาไปนิดความจริงให้ทานมากผลของการให้ทานพอใจได้ยังท่านก็ ก็ไม่ได้ส่งได้ไปหน่อยเป็นเรื่องฝรั่งคนนี้ก็คนไปจะไปไหนแล้วก็ไม่ทราบวันหลังต่อมาเมื่อคน อยากช่วยเหลือทุกอย่างเป็นนามว่าชิคาโก้นี่ ก็ต้อง 2-3 3 ปี 3-4 หรือ 35 จะไปใหม่อันนี้ยังไม่แน่นอนนักเกี่ยวกับร่างกาย ไม่เคยไว้วางใจตัวเหมือนไมเมไมไมไม 26 เมษายน 2532 ไปเดนเวอร์ไอ้ เคยไปมาแล้วหนแล้วทั้งหมดก่อนทั้งนี้ถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ต้อง อาจดิ่งวีวันคำนวณกิจเพิ่นว่าถ้าพรรคบ้านน่ะคนไทยที่นั่นก็เกรงใจไม่กล้าจะ ก็ปรากฏว่าเที่ยวนี้มีนักศึกษาเกษตร 5-6 คน <c oughs> อวยพรกวรการวรการวรการว่ารายการไปเป็นประจำคณะบ้านคุณตุ้มบ้านโยมอำนวยไปเป็นประจำก็เท่านั้นเองปีต่อไปจะมีโอกาสจะแวะเดินเว่อ อันนั้นนายก็พูดคําคณะบ้านยงก็บ้านไอ้เติมอีกแล้วเดิมว่า ส่วนความตามข่าวที่บอกไว้กับหมอ แล้วก็พอ นốt คืนคงดีก็ซื้อสนิทเรียกเด็กๆมา